พัทธจักมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลหมวดที well ่หนึ่งภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อความสนุกภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ พัทธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลย่อไว้แล้วมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลพิสูุจงใจพยายามเพื่อทดลองเพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษพิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองเพื่อความสนุกและเพื่อสืบพันน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษพัทธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลจบ พัทธจักรติมูลกะณฐ์ในก็ดีจตุมูลกะณฐ์ในก็ดีปัจจมูลกะณฐ์ในก็ดีฉะมูลกะณฐ์ในก็ดีสัตตมูลกะณฐ์ในก็ดีอัฐมูลกะณฐ์ในก็ดีนวมูลกะณฐ์ในก็ดีบัณฑิตพึงตั้งขยายให้เหมือนกันคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นพัทจักสรสัพพมูลกะณฐ์ใน